บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในช่วงนี้กำลังพูดกันถึงเรื่องอายตนะภายในภายนอกที่เกิดขึ้นจากตาเห็นรูปจนถึงก็ใจเหนียวนึกจกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลาย ต้องสอนสังเกตดูว่าในขณะนั้นๆมีกิเลสประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสังโยชน์เกิดขึ้นภายในใจหรือไม่ถ้ารู้ว่าเกิดขึ้นก็ต้องพยายามมองให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นและเปลี่ยนพยายามลาดละต่อไปข้อนี้ท่านสาะชนทั้งหลายจะสังเกตได้ ว, ว่า ผู้สังโยชน์ที่เรากล่าวมาแล้วหรือแม้จะพูดในโอกาสต่อไปนั้นที่จริงก็มีลักษณะเดียวกับนิวรณ์ทั้งห้าประการที่เคยผ่านมาเพียงแต่ว่านิวรณ์นั้นเกิดขึ้นรุ่มรุมใจแล้วแต่ว่าสังโยชน์นั้นต้องมีตัวกระตุน้น เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรสถรูกต้องเย็นร้นอนแข็งแล้วก็เหนียวนึกสังโยชน์ตอน่นั้นก็เกิดขึ้นแต่พอเกิดขึ้นสถานะของเขาก็เปลี่ยนคือกลายเป็นนิวรณ์คล้ายๆกติยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเหมือนตะกอนที่อยู่ใต้ก้นภาชนะเราก็เรียกว่าตะกอนแต่มันขึ้นมาข้างบนมันก็ทาน้าให้ขุนเราก็เรียกรวมว่าน้ามันขุน อันจรงความขุ่นเหล่า น, นั้นก็เกิดขึ้นมาจากตะกอนตะกอนก็เปลี่ยนที่อยู่ก็ทําให้สถานะและชื่อที่จะเรียกมันก็เปลี่ยนตามไปลักษณะเหล่านี้ก็ดูแล้วก็เหมือนกับการเคลื่อนไหวของเราในแต่ละขณะคือเราจะถือว่าเราทําอะไรเราเป็นอะไรในขณะนั้นๆมันก็ต้องว่ากันในขณะนั้นๆ ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นการกระทำของคนคนเดียวแต่เราจะพูดอย่างไรอย่างหนึ่งไม่ได้ก็ดูที่การกระทำของเขาในขณะนั้ น, น, นตลอด ถ, ถึงจุดบุคคลสถานที่ที่เราเกี่ยวข้องตลอด ถ, ถึงการงานที่เราทำมันก็ทำมห้สถานะคนเราในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราทำ เปลี่ยนไปตามกาละตามเวลาตามสถานที่ตามกลุ่มคนบุคคลที่เราก็าไปเกี่ยวข้องเมื่อกิเลสเองก็ก็มีลักษณะอย่างนั้นไม่อื่นไปจากความโลภความโกรธความหลงการเรียกชื่อเป็นการเรียกชื่อตามอาการตามความเข้มข้นตามการแสดงออกในแต่ละขณะบางทีก็พูดตามอาการที่ปรากฏอยู่ภายในจิต คือจะอยู ực, ่ลึกๆสงบอยู่ลึกๆท่านก็อาจจะเรียกว่าสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกใจสัตว์เอาไว้เรียกว่าอสวะคือหมักบ่มอยู่ภายในเรียกว่าอนุสัยคือสงบอยู่ภายในหรือนอนนิ่งอยู่ภายในเรียกว่ากันทะคือรอยรัดใจเราอาจจะเรียกว่าโยคะ คือควบคุมจิตคนเอาไว้แต่ถ้าก็ดิ้นออกมาแรงๆไอ้ตัวนี้วรณเองนั่นเองที่เรียกว่าดิ้นออกมาแรงๆเขาก็ไม่เรียกว่าตัณหาอยู่ตวสัตว์เรียกว่าริษยาเรียกว่าอาฆาตแต่จริงๆมันไม่มีอะไรอะ่ะมันมีแต่เกเรตทั้นั้นแล้วก็มาจากสามกองถึง ในจุดนี้เราจึงเห็นสองอย่างคือทรงสอนให้มองสองอย่างแต่ทั้งสองอย่างนั้นเป็นสิ่งที่สิ่งหนึ่งก็ควรทำความเข้าใจคือเรียนรู้ในแง่ของความเป็นจริงในส่วนหนึ่งก็ให้ศึกษาในแง่ของความเป็นโทษในส่วนเรียนรู้ความจริงก็คืออัจฉรยะภายในอัจฉระภายนอก เพราะนี้เรียนโครงสร้างเดียวกับที่เรียนขันห้าเพราะยิงเขาก็คือขันห้าเพียงแต่ว่าหยิบสวยเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาเรียนคล้ายๆกับบางครั้งเราเรียนรูปทั้งรูปคือตัวทั้งตัวเลยที่เราเรียนว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลวงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีการพลาดพลาดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ความตายความพลาดพลาดไปได้ นี่หมายความเอาขันห้ามาเรียนรวบทั้งคนเลยแต่ว่าที่เราก็เรียนเลยไปมากกว่านั้นประสาททั้งหลายนั้นจะต้องตายหมายความมาเรียนทุกขันเลยจะมีกี่ขันก็ตามเรียกถือว่าขันทั้งหลายที่เกาะกลุมกันเน่หรือแม้แต่ไม่เกาะกลุมกันเป็นรูปประคัเฉยๆเป็นก้อนอิด ก, ก้อนหินเฉยๆในสุดก็แตกก็เสื่อมมันก็ทำลายเหมือนกัน เราก็มามองภาพขันห้าโดยส่วนรวมจนถึงเลยไปว่าโลกและจั ก, กรวาลจะต้องแตกดับไปในที่สุดนี่ก็คือขันห้าในส่วนรวมแตกดับเมื่อไรมันก็ต้องแตกดับแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของขันแต่เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงใหญ่อะไรมันเพราะนั่นก็คือธรรมดาของสิ่งทั้งหลายแต่บางทีท่านก็แยกไอ้ตัวขันห้าเอตัวรูปร่างหน้าตาของคน นี่การแยกก็ขึ้นอยู่กับการแยกก่าเวลาเราพูดกับใครแล้วก็พูดเรื่องอะไรปัญหาภายในหัวใจคนนั้นเป็นอย่างไรอย่างที่ทรงแสดงแก่นางทาสีคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างงามท่านเกิดพอใจชอบใจในพระอนนทเตระ คือใจก็ผูกสมัครรักใคร่ในพระเิระก็ต้องการที่จะให้ปฏิระซึกออกมาอานนท์ถ้เป็นโสดาแล้วทต้องหลบไปหลบมาจนหนีเข้าไปเข้าพระพุทธเจ้าตระยิงเหล่านี้นก็ตามไปพรานนท์ถ้ก็หลบพระพุทธเจ้าก็เรียกให้เข้าเฝ้าคุยกันถามว่าเธอชอบอะไรของอานนท์ท่านก็นบอกมาด้วยชอบดวงตาพระพุทธเจ้าก็อธิบายลักษณะดวงตาว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เวลาปกติเป็นอย่างไรตื่นนอนเป็นอย่างไรตาเป็นที่ตั้งของโรคเป็นอย่างไรจะต้องมันดูแลํำระแตสางล้างบำรุงรักษาอย่างไรท่านก็เปลี่ยนเป็นหูพระเจ้าอธิบายหูแล้วเปลี่ยนเป็นจมูกก็อธิบายจมูกเปลี่ยนไปปาก็อธิบายปากเปลี่ยนเปหน้าตาก็อธิบายหน้าตาก็ตามไปเรื่อยๆหมายความว่าท่านชอบใจในจุดใดก็เอาจุดนั้นขึ้นมาพูด แต่พวกกันไปก็พูดกันมาผก็พูดอยากคือต้องใช้เวลานานท่านผู้นี้ในต่อมาภายหลังก็บวชเป็นภิกษุณีติดตามพระนรนไปพบ ว, วันที่กรุงราชคฤื้ตามมิธีสาวัตถีพระนรนหนีไปโกสัมพีแต่ก็ตามไปถึงโกสัมพีก็ต้องใช้วิธีเทศในลักษณะเอาน้ำยอกก่อกว่าน้ำบ่งแต่ที่จริงก็สอนกันมานาน จะใช้ธรรมะชี่แนะอบรมกันมานานจนเกิดความเข้าใจเพันการการศึกษาบที่ก็ศึกษาเฉพาะดวงตาอย่างเดียวศึกษาเฉพาะหูอย่างเดียวจมูกอย่างเดียวเครื่อย่างเดียวก็คือหมายความเราเรียนจากจุดย่อยไปหาจุดใหญ่ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าการศึกษาทั้งหลายที่ถูกต้อง น, นั้นเราจะต้องเรียนจุดย่อยเข้าไปหาจุดใหญ่ หมายความยังไงหมายความมาเรียนจากเราก่อนมันดูง่ายมันเข้าใจกันง่ายถ้าไปตามดูคนอื่นมันก็มีปัญหาในการขาอนีอ้ผมสังเกตในแนวมองแนวนี้นะฮะหมายความมามองในแนวที่จะลดความรักความชังในจิตปัจฐานที่เราเรียนกันมาโดยลําดับในตัวกายนั้นทั้งหมด นอกจากข้อสุดท้ายเราเรียนที่ตัวเราเรียนที่ลมหายใจของเราเรียนที่แอบรถยืนเดินนั่งนอนของเราเรียนการเคลื่อนไหวของเราเรียนธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟในกายเราเรียนอาการหนึบสองคืผมขนน้ำพันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นในกายของเราที่กายเราเนี่ยมันก็มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าเรารักเราทะนุถนอมเราหลงเราหวง คนหลงมากๆก็สามารถจะยืนเอี้ยวไปเอี้ยวมาอย่หน้ากระจกได้เป็นชั่วชั่วโมงแต่ก็สาคัญมันหมายก็ว่าสวยก็สร้างอุปาทานขึ้นมาให้ยึดถ้าคนอื่นที่ยอว่าสวยด้วยเราก็ยึดใหญ่ แ, แต่จะมีการไปปกหนังสือเป็นรายตรายมีการพูดกันมากมันก็หลงตัวเองมากยิ่งขึ้นกลายเป็นความสวยมากยิ่งขึ้ น, น, น, น, นในตรงนี้ใครเกิดพูดไม่สวยขึ้นมานเนี่ยจะโกรธ ใจมันก็มองในแนวเดียวตัณหามันก็เพิ่มขึ้นหมายความว่าอยากสวยนี่เพิ่มขึ้นและอยากให้คนอื่นรับรู้ว่าสวยนี่เพิ่มขึ้นถ้าใครเกิดไปตําหนิความปฏิบูลงร่างกายความไม่สวยงามร่างกายหรือบอกว่าตัวยังไม่สวยก็จะโกรธพลักษณะตัวนี้คล้ายๆกับที่เคยเล่าเรื่องนางมาคันธยาให้ฟังเราจะเห็นว่านางมาคันธยานั้นทุกคนญาติวงศ์ปวงสาของท่านเนี่ย ยกย่องชื่นชมว่าสวยอุปาะทานคือความยึดมัน่นตัวมัน่นถือมั่นตรงนี้แหละมันก็เกิดขึ้นทั้งใจตัวของนางเองทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งญาติพี่น้องทั้งหลายบาใครพูดถึงในแง่ไม่สวยไม่ได้จนถึงกับไม่มองมองว่าไม่มีใครในโลกที่จะเหมาะสมกับต่างมรคติยาทั้งพ่อทั้งแม่คิดอย่างนั้น อาตีวงปงสาคิดอย่างนั้นจนในที่สุดก็เที่ยวหาผู้ชายที่เหมาะสมกับนางแล้วก็มาเจอพระพุทธเจา้าเกิดผู้ชายคนเนี้เหมาะสมกับลูกสาวนนพ่อพ่อก็บอกจะยกลูกสาวให้เลยพอเห็นมาเหมาะสมเราจะเห็นว่าไม่คิดเงินคิดทองสินสรัพทองมั่นกันแล้วพระพเจ้าก็ไม่ได้รับสั่งอะไรอันนี้ก็ไปชวนไป ผัวก็ไปบอกเมียไปตกแต่งตัวลูกสาวมาเพจะมอบให้พระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าแสดงแต่รอยประพุตธบาตรไว้แล้วก็หลบไ ป, ไปประทับอยู่อีกอีกข้างห่งซึ่งหมายความว่าเป็นวิธีการเป็นอุบายวิธีที่จะสอนแล้วนางประมาณีนั้นท่านรู้ลักษณะคล้ายๆกับตำนานนรลักษณ์ที่เราเรียนใน ท, นทั้งกมไตยเป็นรอยพระพุตธบาตรที่เหยียบไว้นางก็รู้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้ ท่านาคำบาลีดีท่ญญานใช้คำว่ามีกิเลสที่เป็นดุจหลังคาในเปิดแล้วหมายความว่าไม่มีกิเลสอยู่ภายในเพิ่ทเตก็ไม่ต้องการหรอกดียังไงแต่ว่าพรามบิดานะคก็เชื่อมั่นอย่างกันแต่สุกนำไปบอกให้พระพุทธเจ้าไม่ได้รับสั่งในจุดนั้นแต่เล่าเรื่องของพระองค์ให้ฟัง ว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนมีประสบะการณ์อะไรอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตนมาอย่างไรก็เรื่อยมานแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ความปฏิกูลความสุกปรกของร่างกายของคนของสัตว์ทั้งหลายมันมีคำอยู่เพียงคำเดียวแต่นั่นเองในตอนสุดท้ายที่ทรงสรุปภาฤิตภาสิทธ์ในตอนสุดท้ายว่า เราไม่สามารถถูกต้องที่ดาท่านได้แม้ด้วยเท้าคำคำนี้คำเดียวนามนคัณยาจองล้างจองผลานพระพุทธเจ้าจนยืดเยื้อยาวนานสร้างบาปสร้างกรรมอีกมหาศาลจุดนี้เราเห็นธรรมะที่มีอยู่ภายในใจว่าทุกคนนั้นถูกสร้างให้เกิดอุปาทาน เป็นความยึดมั่นถือมั่นและการเป็นการมองโลกในแง่ปฏิเสธความจริงที่ตัวสัมผัสอยู่แต่สิ่งเหล่านั้นสวยงามจริงทําไมต้องอาบน้ำทําไมต้องชาระล้างทําไมต้องแปลงพันทําไมต้องมีเครื่องยาอะไรเข้ามาช่วยอีกมากมายแก่ก่อนทาไมจึงต้องมีการประดับประดากันเราเสียเงินเสียทองไปเพราะเรื่องนี้มากมายแต่คนจะไม่มองในแง่ในแนวนี้คือมองในแนวเดียว การมองในแนวเดียวอย่างนี้ก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างพระรูปปันธาเถรีพระนิริตาพักินีของพระพุทธเจ้าเองคือเาเทียบเคียงอายุของท่านกับพระพุทธเจ้าถึงท่านอ่อนกว่าพระพุทธเจ้าสองปีแล้วท่านบวชในช่วงหลังด้วย แ, แสดงว่าอายุพระชนมย ข, ของท่านในคราวนั้นก็ต้อง4ี่สิบกว่าแล้วแล้วก็บวชเป็นภิกษุณีหัวล้านด้วยคนผมหมดด้วย แต่ท่านก็ยังหลงไหลในความสวยงามไม่ยอมฟังเทศครัวพระพุทธเจ้าจะแสดงถึงความปฏิบูลของร่างกายจนพระพุทธเจ้าต้องใช้เป็นมาตรการทางวินัยบางครับภิกษุณีทุกรูปต้องลงฟังเทศแต่ขาดลงฟังเทศไม่ได้ปรับประบัติท่านจึงต้องยอมออฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้วิธี น, น้ำยกน้าบ่ม คือใช้รูปที่สวยกว่าประนีดกว่าเป็นตัวกระตุ้นให้คิดเทียบเคียงก่อนให้ดูอันที่จริงที่เราคิดว่าสวยมันก็มีคนสวยกว่าแต่ถ้าอย่าโทมนัสน้อยใจว่าเราเกิดมาพิคนพิการไม่สวยมันก็มีคนที่พีคนพิการไม่สวยมากกว่าเพรา ะ, ะนั้นจึจึงไม่มีอะไรที่เป็นที่สุดเป็นสุดยอดจริงๆคือดีที่สุดสวยที่สุดมันก็ไม่มี พี่คนพิการที่สุดมันก็ไม่มีคือยังมีคนที่เลวร้ายยิ่งกว่าอยู่เสมอแต่นี้แนวนี้ก็ทงสอนในแนวที่ว่ายังมีคนที่สวยกว่าประดีกว่านี่คือการเรียนทั้งรูปหมายความเอาเอกขันทั้งห้าเนี่ยมันเรียนพร้อมกันแต่เน้นที่ตัวรู ป, ปรขันสังเกตว่าทั้งสองรายนเน้นที่ตัวรู ป, ปรขัน ไม่เน้นที่สัญญาเาวทนาสัญญาตังหาปัญญาไม่เน้นที่ตรงนั้นแต่เน้นที่รูปแต่เอารูปร้่นลวดมาเลยทั้งตัวเลยแต่ตรงนี้ก็คือรูปไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามรูปเสียงกลิ่นรสผุดปะภก็คือรูปอย่าบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างแต่หูจมองนิ่งไกลก็คือรูปนี่แสดงว่าเอารูปเหล่านั้นมันเรียนมาศึกษาในแง่ที่มันเป็นอย่างที่มันเป็น คือเป็นยังไงเราก็ยอมรับสภาพความจริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นเข้ามันอย่า ง, งนันมองในถึงสถานภาพของตาหูจมูกลิ้นกายเราเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นที่ประกอบกันเป็นที่รวมกันของดินน้ำลมไฟอากาศเป็นช่องทางไหลเข้าไหลออกของสิ่งปฏิกูลานาะชนิด ต้องชำระสสารต้องมีสิ่งมาทําให้เกิดมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็มีการชำระล้างมีการตกแต่งกันไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็ น, ปนการยืนยันให้เห็นถึงความปฏิกูลที่มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเ้าอาจจะมองในแง่ของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไอ้ตัวไม่เที่ยงแท้แน่นนอนเนี่ยค่อนข้างจะเห็นได้ชัดกวา่า แต่ที่เห็นได้ยากเพราะอะไรเพราะเราพยายามฝืนมันผมขาวไปก็ยอมให้ดำได้ตารู้สึกเปลี่ยนแปลงไปก็มีการตกแต่งด้วยสัญญกรรมอะไรต่างๆอีกมากมายแก่ก็แล้วก็พยายามที่จะหลอกตนเองเพื่อจะได้หลอกคนอื่นได้สนิทใจในอกรนี้ที่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องหมายมันเรื่องที่เขาทากันมาตั้งงานนี แต่สมัยโบราณเ้าก็ทำการมีการคิดค้นยาที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ยั่งยืนทาวรที่เราเรียกรวมๆมอ า, นะอาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะก็คืออายุให้จเจริญรุ่งเรืองแต่ความคิดเหล่านี้ที่จริงก็คือโรคหลงอาการโรคอาการหลงที่ไม่มองต้นสายว่าตอนสุดท้ายนี่จะเป็นยังไง สมมติปติต่างว่าเราจะมีอายุยืนสัก500ห0 0ร้อยปีเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรและจะอยู่กับใครจะปรับตัวเองอย่างไรเมื่อสังคมแม้แต่หนึ่งปีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วอย่างที่ท่านเล่าเป็นตัวอย่างเอาไว้ว่ามีท่านผู้หนึ่งแต่รับพรจากเทวดาเทวดาให้ขอพร ท่านขอพรให้มีอายุยืนถามว่ายืนเท่าไหร่คือจะเอาสักเท่าไหร่ท่านบอกห้าร้อยาขอห้ารอยปีเทวดาก็ประสาทพรให้ปรากฏว่าอยู่ไปอยู่ไปเมียก็ตายเพื่อนฝูงรุ่นราวข่าวเดียวก็ตายลูกก็ตายแล้วก็หลานก็ตายเอาเหลนก็ตาย ก็เชื่อสายต่างๆมันมันหายไปหมดเลยคนที่คุ้นเคยใกล้ชิดนี่หายไปหมดอยู่เพียงร้อยปีกว่าก็เกิดเหงาว้าเวอย่างแรงคือติดต่ออะไรก็บใคก็ไม่ค่อยได้พูดจากันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องความคิดความอ่านก็สวนทางกันอย่างแรงในสุดก็พยายามหาหาทางฆ่าตัวตายด้ววิธีการต่างๆแต่ไม่ยอมตายาพอรัพรที่เป็นกายสิทธิ์ขึ้นมา ได้สุดต้องข้างต้องสร้างเป็นอาคารคล้ายคล้ายกระหงซุยของจีนเข้าไปอยู่แล้วเขียนว่าอีกสามรอเท่าไราปีนี้จะตายนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอาการข่อยพ้าเด่นนี้ก็คือความโลภด้วยความโง่ด้วยความาหามลงไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปทํำไปอยู่กับใครอยู่แล้วจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ยไม่ได้มองอะไรคือมองในขอให้อายุยืนจริงๆ ให้ยืนเท่านั้นแตย่ยืนอย่างนั้นอายุยืนกค่อนข้างเป็นนิทานแตย่ยืนจริ ง, รงๆที่จริงพอยืนมากมันก็จ่ำแย่เพราะว่าร่างกายนั้นเป็นอนัตสว่าคือบังคับไม่ได้เรากูบคุมไม่ได้โรคภัยค่าเจ็บต่างๆก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นแลีวพร้อมที่จะบีบบังคับให้เกิดอาการทุรพลมือเท้า ใช้ไม่ได้ตามที่ประสงค์ตาหูจตหูจมุกลิ้น ก, กายกับพิกนวิการไปนั่นก็คือมองในแนวธรรมะ แ, แนวอภิธราปจัจเวกเปงการพยายามศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดการยึดติดในสิ่งเหล่านั้นอย่างน้อยก็บันเทาการไขอยคว้ากา ร, าการสแสวงหาการเพลิดเพลินชื่นชมหรื อ, อยังไม่มีอะไรก็คือไม่อ่อนไหวกับการโฆษณา ติ่เชิญชวนกระตุ้นเร่งร้าให้ไปดูนั่นดูนี้ดูโน้นกันที่จริงก็คือไปดูสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ปฏิกูลสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเชิดตนอะไรในแง่ของชีวิตประจำวันเองเราก็เป็นคนเสียเขาก็เป็นคนได้ เราเสียตั้งเวลาเสียตั้งเงินเสียตั้งสุขภาพเสียตั้งอารมณ์ซึ่งถูกบงังคับไปเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราได้ดูในขณะนั้นนั้นเพราะในนี้ท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าพระเจ้าทรงวางกวางเกณฑ์มาตรฐานเพื่อจะดึงจิตคนให้มามองดูตัวในชัดเจนมันก็เริ่มมาตั้งแต่ศินที่ข้อที่หนึ่งแล้วแต่มาเริ่มชัดเจนเนี่ยคือศินที่ข้อที่ห้าข้อที่ห รถเว้นจากการบริโภคอาหารคือมองอาหารเท่าที่อย่างอัตภาพไปเป็นไปได้เป็นการดูขับร้องประกอบดนตรีดนตรีที่เป่าต่างๆหรืว่าจะทําเองหรือคนอื่นทำก็ตามเพราะจริงหตรงนี้มันกระตุ้นการราคากระตุ้นราคากระตุ้นโทษสะแล้วก็เพิ่มโมหะการที่นั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นวิธีการเดียวกันทั้งหมด จะทรงวางไว้ในแนวใดในดับใดเพื่เหมาะสมแก่คนกลุมใดนั่นก็เป็นอีกเรื่องห น, นึ่งนี้หมายความเราก็ยกเอาอกพวกนี้ภายในก็ได้ภายนอกก็ได้มามองในแง่ของใจหลักดี๋ยวน้อยก็บันเทาความกนัดเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกหรือรูปเสียงกลิ่นรสของตัวเองตลอดต้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมลิ้นกายของตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายของบุคคลอื่น มันมีองค์ประกอบมีส่วนประกอบเหมือนกันมีดีนน้งลงไฟเหมือนกันมีอากาศเหมือนกันเกิดโรคเกิดภัยกันนิดหน่อยมันก็มีความวิบัติเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันจะบรรเทาความกำหนัดความเพลิดเพลินในสิ่งต่วนั้นลงไปแล้ถ้าเรามองได้มันก็กลายเป็นเป็นรถอีตัวสักยัติทิฏฐิ สกายาธิตินั้นไปสังเกตว่ามันเกิดเป็นฐานของคนเลยเพราะเขาเป็นอวิชชาคือมองเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเราตัวเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นของเราของเขาอะไรก็วุ่นๆุ่นกันอย่างเงี้ยตัวนี้มันมันมันสร้างขึ้นเป็นอุปทานถูกตอกย้ำไม่เป็นอุปทานคือยึดมั่นหรือมั่นในแนวนั้นมาตลอด แล้วถ้าเราลองดูดีว่าที่จริงเราก็มีเชื้ออยู่ภายในใจแย่ที่คนนี้วถือตัวคนนี้ถือถัอถ่วจัดคนนี้โลภจัดคนนี้อะไรแต่อะไรเนีครหรือไม่ชอบเกี่ยวข้องกับใครมันมีนิสัยมันต้งเป็นเด็กหมายถึงว่าสกยิยัติธินี่ภายอยู่ภายในจิตตัสนดานคนเราที้สูงบางคนไม่ยอมรับต้องถือใครเลย ทองใหญ่จริงๆอย่างที่เคยเล่าเรื่องมานัทะปราบที่ไม่ยอมไหว้ใครแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองมันเป็นจิตสันดานไม่ใช่ใครไปสอนอะไรเป็นจิตสันดานของเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สร้างจุดสนใจเพื่อทำให้เขาไปที่สนใจคนอื่นก็รู้สึกว่าเมื่อเขาสนใจก็คล้ายๆตัวเองมีความสําคัญ เราจะเห็นว่าคนดีมากกับคนชั่วมากเนี่ยเป็นที่สนใจของคนแต่คนกลางๆในคนไม่ค่อยสนใจเท่าไรมันก็ทํานองคล้ายๆกับพระเทวทัตเนี่ยมีประวัติเคียงคู่กับพระพุทธเจ้ามาชาวพุทธทุกคนรู้จักพระเทวทัตรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักคือพระเทวทัตในศาสนาคริสต์คนก็รู้จักชื่อพระเจ้ากับซาตาน จะมีลักษณะอย่างนั้นคือว่าความชั่วสุดดีที่สุดหรือมันเด่นทั้งสอย่างมันก็ตุ้นความสนใจของคนทีนี้เมื่อเมื่อมีการเพิ่มความคิดในลักษณะซ้อนๆกันขึ้นไปพี่จะใช้คำง่ายๆว่าสมมติมันทับส ampa, มมติตรงไปในความเป็นเราที่จริงมันสมมติอยู่แล้วในความว่า เราเป็นนั้นเป็นนี้หรือเป็นตัวตนอะไรก็ตามมันเกิดสมมติขึ้นเพราะจริงๆมันไม่มันไม่มีตัวตนที่ทรงสอ น, นในแนว้มองขันทั้งห้าให้เห็นว่ารูปของเรามันแตกกับง่ายมันเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำจริงมันเริ่มจากไม่มีแล้วก็น้ำไหลามากระทบอะไรแล้วกระทบกันเอง หรือไปประทะกระตุลิงอะไรก็ตามมันก็เกิดปุ่ฟองน้ําขึ้นแล้ถึงจุดหนึ่งฟองน้ํานั้นก็ค่อยลดลงไปแล้วกัแตกกระหมีดปัจจัยเกิดเพิ่มก็เกิดอีกน้ฟองน้ำมันก็มีอยู่ช่วหน้าตาปีแต่จริงมันก็ดับไปช่วหน้าตาปีเหมือนกันถ้าฟองน้ําเกิดขึ้นโดยไม่ดับมันก็คงจะมีปัญหามากแต่นั่นก็คือสังขารต่างยมันก็เป็นขึ้นมันอย่างนั้นเอง เวทนาเองมันก็มองแล้วมันก็เหมือนกับตอบน้ำเล็กๆสุกบ้างทุกบ้างทุกบ้างทุกบ้างทุกบ้างอย่างขนาดนั่งอย่างเงี้ยไม่ถึงสามสีนาทีมันก็มีปวดมีเมื่อยมีหายปวดหายเมื่อยมีสุขมีทุกข์กปนปนกันไปก็วิ่งวิ่กันไปสัญญาตัวความจําเองนั้นมันก็เหมือนกับภาพมายาเหมือนพายับแดดมันใก้ๆกับจริงแต่ก็ไม่เคยจริง จำได้ใล้ๆก็จำได้อยแนวที่ทรงแสดงการวังเทศของคนว่าบางคนก็ฝังเหมือนก็อของวางให้หน้าตั ก, บ า, ก, ออา บ, กบางคนก็เหมือนก็ของวางไว้บนตักบางคนก็เหมือนกับของใส่พกเอาไว้หรือใส่กระเป๋าเอาไว้ประเภทของวางหน้าตักพอลุกขึ้นของก็อยู่ตรงนั้นเองเวทวางบนตักพอลุกขึ้นของมันก็ร่วงหมดประเภทวางไว้ในพกก็ดีหน่อย แต่เผลอตรงไหนมันก็หล่นตัวสังขารเองมันก็เหมือนกับกอกล้วยคือปลอกไปปอกมาก็มีแต่กาบกล้วยไอ้วิจิตไอ้ญญาณเองมันก็เหมือนกับภาพมายามันก็ภาพมายาก็คล้ายๆกับพรยับแดดเป็นกันคือมันก็ภาพมายามันก็คล้ายๆจริงแต่ก็ไม่คือจริงอะไร คือถ้าเรามองได้ในแนวนี้ลักษณะของศักราชทิฏฐิมันก็ลดลงไปเพราะจริงๆลองสังเกตว่าในชีวิตประจำวันเราไม่ได้เป็นอะไรโดยเฉพาะสักอย่างเดียววันหนึ่งเป็นถูกสมมติให้เป็นทางมารษสกิจอย่างเมื่อขณะนี้ก็สมมติเป็นผู้ฟังประเดี๋ยวเราก็กลับสมมติเป็นคนเดินทางสมมติเป็นคนนั่งรถสมมติเป็นคนขับรถสมมติเป็นคนข้ามถนน บางคนอัตชัยโตมาจากไหนไม่รู้พอไปเจอคุณพ่อคุณแม่ก็กลายเป็นเด็กๆแค่นั้นเองอาจจะเป็นนายพลเอกอาจจะเป็นนายกตุรมตรีเป็นใหญ่ยังไงก็ตามนะพอเจอกุณพ่อแม่มันก็นเล็กนี่เดียพอเจอเพื่อนเพื่อมันก็เป็นเพื่อนของเพื่อนพอเจอพันยาสามีมันก็เป็นสามีพันยาพอเจอลูกมันก็เป็นพ่อเป็นแม่พอเจอเจอลูกน้องมันก็เป็นนายใหญ่หน่อยพอเจอนายก็กลายเป็นรุกน้องตัว ง, งอ นั่นก็เราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆสักอย่างหนึ่งเพราะนั้นการมองในแนวนี้เราสามารถจะเรียนจากตัวเตาหูจมูลิ้นกายเรียนจากรูปเสียงกลิ่นรสเราเรียนรวมๆเป็นขันห้าก็แล้วแต่จะทรงเน้นตรงไหนแต่นั้นเองก็จะเห็นว่าไม่มีสารแก่นสารอะไรที่จะเกิดได้เป็นสักยทิฐิขึ้นจนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแบ่งฝักแบ่งควายการวุ่นวายแล้วในที่สุดก็ทะเลาะกัน ทะเลาะกันเพราะสังขารซึ่งต้องแตกดับแต่บาปกรรมที่เกิดจากการทะเลาะนั้นเป็นสิ่งติดใจติดจิ ต, ต, ตใจของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ติดตามคนไปดุดเงาที่ติดตามไปตอนนี้ไปก็พอให้ตั้งใจทาความสงบสืขต่อไป